พระไตรปิฎกเล่มที่สห้าพระสุตตันตปิฎกเล่มที่เจ็ดสังยุตตนิกายสคขาวัตขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเทวตาสังยุตนาละวัตโอคตะตารณสูตรว่าด้วยการข้ามโอคะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวัน อารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเมื่อราตรีผ่านไปหมายถึงปฐมมยามผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันนางดงามยิ่งนักเปล่งรัสมีให้สว่างทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นรทุก พระองค์ทรงข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะหมายถึงห่วงน้ําคือกิเลสมีสี่อย่างคือกาโมคะโอคะคือกา ม, าากามพระโอคะโอคะคือพบทิฏโทขคะโอคะคือทิฏฐิอวิชโขคะโอคะคืออวิชชาพระผู้มีพระพาตรัสตอบว่าผู้มีอายุ เราเองเมื่อไม่พักไม่เพียรจึงข้ามโอคักได้ไม่พักหมายถึงไม่แสวงหาความสุขในทางการมรมซึ่งจัดอยู่ในการมาสุขันลิกานุโยกไม่เพียรหมายถึงไม่แสวงหาความทุกข์ด้วยการทรมานตนให้ลาบากซึ่งจัดอยู่ในอัตติกิละมัทานุโยกเทวดาทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้นิรุ์ก็พระองค์เมื่อไม่พักไม่เพียนทรงข้ามโอคะได้อย่างไรพระผู้มีพระภาตรสตอบว่าผู้มีอายุเมื่อใดเรานั้นยังพักอยู่เมื่อนั้นเราก็ยังจมอยู่เมื่อใดเรายังเพียนอยู่เมื่อนั้นเราก็ยังรอยอยู่แน่นอนเราไม่พักไม่เพียนอย่างนี้แหลจึงข้ามโอคะได เทวดานั้นได้กล่าวคาถานี้ว่านานจริงหนอข้าพเจ้าจึงได้พบพรามผู้ดักกิเลสได้สิ้นแล้วผู้ไม่พักไม่เพียรอยู่ก็ข้ามตันหาอันเป็นเครื่องเกาะเกี่ยวในโลกได้โลกในที่นี้หมายถึงสัตว์โลกเทวดานั้นได้กล่าวคาถานี้แล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นเอง นิโมขัดสูตรว่าด้วยทางหลุดพ้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีรั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันน่างดงามยิ่งนักเหล่งรัสมีให้สว่างทั่วพระเจตวันเข้าไปเป้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแลวยืนอยู่หน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก พระองค์ทรงทราบนิโมก ค, คือทางหลุดพ้นประโมก ค, ความหลุดพ้นและวิเวกความสงัดของสัตว์ทั้งหลายหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าผู้มีอายุเราทราบนิโมกปรมโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายเทวดาทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้นิรทุก พระองค์ทรงทราบนิโมกปะโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีประพาตรัสตอบว่าผู้มีอายุเพราะความสิ้นไปแห่งภพอันมีความเพลิดเพลินเป็นมูลเพราะความสิ้นไปแห่งสัญญาและวิญญาณเพราะความดับเพราะความสงบแห่งเวทนาทั้งหลายเราจึงทราบนิโมกปะโมกและวิเวกของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้แหล นิโมคหมายถึงมรติปาโมกหมายถึงผลวิเวกหมายถึงนิพพานอุปนิยสูตรว่าด้วยชีวิตถูกชรานำเข้าไปเรื่องเกิดที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า ชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้วไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชีวิตถูกชรานำเข้าไปอายุจึงสั้นผู้ที่ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีเครื่องต้านทานบุคคลพิจารณาเห็นภายนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติเถิดสันติในที่นี้หมายถึงนิพพานอจเจนะติสูตรว่าด้วยการที่ล่วงเลยไปเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี เทวดานั้นยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าการในที่นี้หมายถึงการมีการก่อนพัตรภัก์เป็นต้นการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรทำบุญที่นำความสุขมาให้ พระผู้มีพระภาตรัสว่าการล่วงเลยไปคืนผ่านพ้นไปช่วงแห่งวัยละไปตามลำดับบุคคลพิจารณาเห็นภัยนี้ในมรณะควรละโลกามิตรมุ่งสู่สันติคือ น, นิพพานเถิดกติชินทสูตรว่าด้วยบุคคลตัดอะไรจึงข้ามโอคักได้ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณนะที่สมควรแล้วได้กล่าวขัธานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลควรตัดธรรมะเท่าไหร่ควรละธรรมะเท่าไหร่ควรบำเพ็ญธรรมะเท่าไหร่ให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุก้าวล่วงธรรมะเป็นเครื่องคล้องเท่าไหร่พระองค์จึงตรัสว่าข้ามโอคาได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า บุคคลควรตัดธรรมห้าประการควรละธรรมห้าประการควรเจริญธรรมห้าประการให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุก้าวล่วงธรรมะเป็นเครื่องค้องห้าประการได้แล้วเราจึงกล่าวว่าข้ามโอคักได้บุคคลควรตัดธรรมะห้าประการในที่นี้หมายถึงโอรัมภากิยาสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการ ได้แก่สักกายาทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิจชาความลังเลสงสัยในธรรมศิลปะป ร, รามาสความถือมั่นศีลและรสติดลทัทธิพิธีกามชฉันทะความพอใจในกามคุณปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจหรือพยาบาทความคิดร้าย ควรละทำห้าประการธรรมะห้าประการในที่นี้หมายถึงอุทธรรมภากษุสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงห้าประการได้แก่รูปปาราคะความติดใจในรูปธรรมอรูปปราคะความติดใจในอรูปธรรมมานะความถือตัวอุทจจะความฟุ้งซ่านอวิชชาความไม่รู้จริง ควรเจริญธรรมะห้าประการให้ยิ่งขึ้นไปในที่นี้หมายถึงอินทรีย์ธรรมะที่เป็นใหญ่ในกิจของตนห้าประการคือสัตทินทรีย์ธรรมะที่เป็นใหญ่คือสัทธาวิริอินทรีย์ธรรมะที่เป็นใหญ่คือวิริยะสตินทรีย์ธรรมะที่เป็นใหญ่คือสติสมาธินทรีย์ธรรมะที่เป็นใหญ่คือสมาธิและปัญญทรีย์ ธรรมะที่เป็นใหญ่คือปัญญาภิกษุเก้าล่วงธรรมะเป็นเครื่องค้องห้าประการในที่นี้คือราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงมานะความถือตัวและทิฏฐิความเห็นผิดบุคคลควรตัดธรรมะห้าประการกวนละธรรมะห้าประการ ควรเจริญธรรมะห้าประการให้ยิ่งขึ้นไปภิกษุก้าวล่วงธรรมะเป็นเครื่องคล้องห้าประการได้แล้วเราจึงกล่าวว่าข้ามโอคับได้ชาคระสูตรว่าด้วยความตื่นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่หน้าที่สมควรแล้วได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่า เมื่อธรรมะทั้งหลายตื่นอยู่ธรรมะประเภทไหนชื่อว่าหลับอยู่เมื่อธรรมะทั้งหลายหลับแล้วธรรมะประเภทไหนชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะธรรมะประเภทไหนบุคคลบริสุทธ์เพราะธรรมะประเภทไหนพระผู้มีพระภาตรัสว่าเมื่ออินสียห้าตื่นอยู่นิวรห้าชื่อว่าหลับอยู่ เมื่อนิวรณห้าหลับแล้วอินทรีห้าชื่อว่าตื่นอยู่บุคคลหมักหมมทุลีคือกิเลสเพราะนิวรณห้าบุคคลบริสุทธ์เพราะอินทรีห้าอภิติวิธิตสูตรว่าด้วยผู้ไม่รู้แจ้งธรรมะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี เทวดานั้นยืนอยู่ในที่สมควรได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลเหล่าใดยังไม่รู้แจ้งธรรมะหมายถึงอริยสัจ ส, สี่ย่อมถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นในที่นี้หมายถึงลัทธิของเดีรถีหรือทิฏฐิสบองบุคคลเหล่านั้นหลับอยู่ยังไม่ตื่นบัดนี้เป็นการที่บุคคลเหล่านั้นควรจะตื่น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลเหล่าได้รู้แจ้งธรรมะแล้วยอมไม่ถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นผู้รู้ดีรู้ชอบยอมดำเนินไปอย่างสม่าเสมอในที่ที่ไม่สม่าเสมอที่ที่ไม่สม่าเสมอหมายถึงโลกสัสสนิวาสหมู่สัตว์หรือกิเลส ท, ที่ไม่สม่าเสมอสุดสามมุตสูตร ว่าด้วยผู้ลืมเลือนธรรมะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดานั้นยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวคถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลผู้ลืมเลือนธรรมะยอมถูกชักนำไปในวาทะของคนเหล่าอื่นบุคคลเหล่านั้นหลับอยู่ยังไม่ตื่นบัดนี้เป็นการที่บุคคลเหล่านั้นควรจะตื่น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 เทวดาได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลในโลกนี้ผู้มีมา n a คือความถือตัวย่อมไม่มีการปึกตนเองบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้ในที่นี้หมายถึงมรรคยานสีบุคคลผู้ไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียวก็ไม่ถึงจุดจบแห่งความตาย ข้อนี้หมายถึงนิพพานพระผู้มีพระภาตรัสว่าบุคคลละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีหลุดพ้นในธรรมะทั้งปวงธรรมะทั้งปวงในที่นี้หมายถึงขันธ์และอายตนะเป็นต้นบุคคลละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีหลุดพ้นในธรรมะทั้งปวงเขาไม่ประมาท อยู่ในป่าคนเดียวก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้คือถึงนิพพานได้อรัญญสูตรว่าด้วยป่าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีเทวดาได้ปุนถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในป่าผู้สงบประพฤต ธ, ธรรมะอันประเสริฐฉันอาหารมื้อเดียวเพราะเหตุอะไร ผิวพันธ์จึงผ่องใสพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันเพราะเหตุนั้นผิวพันธุ์จึงผ่องใสเพราะคิดถึงอนาคตเศร้าโศกถึงอดีตด้วยเหตุนี้ภิกษุทั้งหลายผู้เขาจึงสูบซีดเหมือนต้นอ้อสด ที่ถูกถอนขึ้นแล้วฉะนั้นจบวัดที่หนึ่งนาละวัด